ลึกลับตำนานนาคีความเชื่อที่ไม่มีวันตายความลึกลับน่าค้นหาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวละครนาคีที่ออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสทํทำให้หลายคนอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของนาคีว่าแท้จริงแล้วความเชื่อเกี่ยวกับนาคีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรตำนานนาคี มีความเป็นมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกับตำนานของนาคาโดยนาคีเป็นคำกล่าวที่ใช้แทนพญานาคเพศหญิงส่วนนาคาเป็นคำที่ใช้กล่าวแทนพญานาคเพศชายแต่โดยส่วนมากไม่จะพูดเหมารวมทั้งนาคีและนาคาสั้นๆว่าพญานาคสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคปรากฏในพุทธประวัติหลายตอนด้วยกันเนื่องจากพญานาคมีบทบาทสําคัญในพระพุทธศาสนา เป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์ที่คอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาจะเห็นได้จากมีรูปปั้นพญานาคปรากฏตามวัดวาอารามต่างๆแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคมาแล้วเมื่อครั้งที่บรเพ็เพียรในฐานะพระโพธิสัตว์โดยในชาตินั้นพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นพญานาคนามว่าจำเปยยักและมีชายาคู่บารมีคือนางนาคีสมนาเทวีในชาติสุดท้าย นางนาคีสุมนาเชวีก็ได้เกิดมาเป็นพระนางพิมพาคู่บารมีเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก่อนพระองค์จะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นเองทำให้เห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับพญา น, นาคทั้งนาคาและนาคีนั้นมีความเป็นมาอย่างยาวนานอีกทั้งผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังมีความเชื่อความศรัทธาในพญา น, นาคมาโดยตลอดเช่นในภาคอีสานที่มีความศรัทธาพญา น, นาคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคศรีสุดโทซึ่งเป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่ทางฝั่งไทยเป็นพญานาคอธิบดีผู้ปกครองดูแลพญานาคทั้งหลายในฝั่งไทยขณะเดียวกันละครนาคีกำลังเป็นกระแสดังอยู่ในตอนนี้ทำให้ผู้คนสนใจอยากจะทราบเรื่องราวของพญานาคทั้งนาคาและนาคีโดยเฉพาะปู่พญานาคศรีสุดโทแห่งวังนาคินคาชโนดจังหวัดอุดรธานี ที่ถูกกล่าวถึงในละครนาคีเพราะในเนื้อหาละครปู่พญานาคสีสุดโทได้สาบให้คำแก้วตัวละครเอกในเรื่องกลายเป็นหินและอาศัยอยู่ในร่างของงูขาวขนาดเดียวกันกระแสะเพลงคู่ครองซึ่งเป็นเพลงประกอบละครนาคีที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะ น, นี้ก็มีที่มาจากความเชื่อที่ว่าปู่พญานาคสีสุดโทได้เลือกคนร้องเป็นคุณก้องห้วยไร่ และปู่พญานาคสีสุดโทยังมาเข้าฝันคุณก้องห้วยไร่ทําให้เขาสามารถแต่งเพลงคู่คองได้เสร็จสิ้นในระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นซึ่งในเนื้อหาของเพลงคู่คองนอกจากจะสื่อถึงอารมณ์ในตัวละครแล้วยังสื่อถึงความรักของปู่พญานาคสีสุดโทที่มีต่อเจ้าหญิงสีปทุมมาผู้เป็นชายาอีกด้วยตำนานกล่าวไว้ว่าพญานาคสีสุดโท หรือปู่พญานาคสีสุดโทนั้นท่านเป็นพญานาคผู้เปลี่ยนไปด้วยบุญญาบารมีบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานมีอายุหลายหมื่นปีปู่พญานาคสีสุดโทเป็นพญานาคผู้มีกายสีเขียวจัดอยู่ในตระกูลเอราประถะอาศัยอยู่วังนาคินคําชนโนดในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเคียงคู่กับชายาคือพญานาคีสีปฐุมมาหรือเรียกกันว่าเจ้าหญ้าสีปฐุมมา เป็นพญานาคีผู้มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะมีผู้คนเคารพศรัทธามากเจ้าหญาสีปฐุมามีกายเป็นสีเขียวตองอ่อนส่วนบริเวณท้องและพระเศียรเป็นสีทองจัดเป็นพญานาคที่อยู่ในตระกูลเอราวถะเช่นกันบางความเชื่อกล่าวไว้ว่าพระนางทรงมีเสียรทั้งหมดห้าเสียรแต่ก็สามารถจําแลงให้มีเพียงเสียงเดียวได้ถ้าอยู่ในกายละเอียดหรือกายทิพย์แล้ว พญานาคีสีปฐุมมาจะปรากฏกายเป็นหญิงสาวผู้มีผิวพรรณผ่องใสทรงเครื่องเพชรนินจินดาอย่างสวยงามอุปนิสัยของพญานาคีสีปฐุมมานั้นกล่าวว่าท่านเป็นพญานาคีที่มีน้ำใจอันประเสริฐมีความเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายท่านชอบสร้างทานบารมีต่อสรรพสัตว์เท่าที่ท่านจะทำได้ทำให้พญานาคีสีปฐุมมาหรือญาปฐุมมานั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และมีผู้เคารพศรัทธามากที่สุดในบรรดาพญานาคีทั้งหลายแม้ว่าตามความเชื่อแล้วปู่พญานาคสีสุโธจะมีชายาซึ่งเป็นนาคีหลายองค์ด้วยกันแต่เจ้าหญ้าสีปฐุมมาถือเป็นชายาเอกที่ปู่พญานาคสีสุโธโปรดปรานมากที่สุดรวมถึงเหล่ามนุษย์ที่ให้ความรักความศรัทธากับเจ้าหญ้าสีปฐุมมาอีกด้วยเห็นได้จากการทําพิธีบูชาพญานาคที่วังนาคินคําชโนดที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้เรื่องราวของพญานาคียังปรากฏอยู่หลากหลายพื้นที่ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้นๆทั้งในความเชื่อของกรรมัมพูชาว่านางนาคคือผู้สร้างเมืองความเชื่อของขอมที่มีพญานาคีผู้มีฤทธิ์กล้าคือพระนางโสมมา ส, สิวิกานาคเทวีผู้เป็นนาคีเทวีที่มีสิริโฉมงดงามเป็นอย่างมากเป็นผู้มีวาจาสัตย์พระนางมีทั้งภาคที่เป็นพญานาคโดยแผ่พังพานเก้าเสียง เป็นพญานาคีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้รวมพญานาคทั้ง9เข้าไว้ด้วยกันและภาคมนุษย์ซึ่งมีพระพักที่สวยงามสวมพ้านุ่งสีน้ำตาลทองเชื่อกันว่าพระนางทรงเป็นต้นตระกูลขอมประทับอยู่ประสาทพิมานอากาศจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาพระนางเป็นนาคีผู้ยิ่งใหญ่ตามความเชื่อของขอมพระมีอำนาจในการปกครองอาณาจักรขอมบริเวณนครวัดนครธม และยังเป็นพญานาคซึ่งเป็นต้นประกูลของขอมอีกด้วยเพราะเชื่อว่าพระนางให้กำเนิดเหล่านาคขอมทั้งหลายรวมไปถึงมวลมนุษย์เพื่อการสืบเชื้อสายในเวลาต่อมากำเนิดพระนางโสมาศิวิกานาคเทวีนั้นในตำนานกล่าวไว้ว่านางเกิดมาจากองค์เทพสามตาที่สร้างพระนางขึ้นมาจากอาคมในการเชิญวิญ ญ, ญาณเทพนาคราชทั้ง9้าองค์ที่สถิตตามสถานที่สำคัญต่างๆ แล้วรวมกันเป็นพญานาคีผู้ยิ่งใหญ่นามว่าโสมาศิวิกานาคเทวีในเวลาต่อมาพระนางได้ถูกกาหนดให้พบกับฤาษีตนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นองค์พระศิวะอวตารลงมาในอีกภาคหนึ่งหรือเป็นพระชัยวรมันนั่นเองพระนางกับฤาษีตนนี้ได้ร่วมรักกันและถือกําเนิดเป็นอาณาจักรหอมอันยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์นาคราชทั้งเก้าต่อมาพระชัยวรมันได้มีชญ า, าอื่นๆที่เป็นมนุษย์อีกหลายคนด้วยกันทำให้นางนาคีสมนาเสียใจมากและได้สั่งให้บริวารไปปรงพระชนพระชัยวรมันให้สิ้นไปแต่ก็ทำไม่สำเร็จจึงใช้เวทอาคมปิดปราสาทให้จมลงไปสู่พื้นดินจนทำให้อณาจาักรของขอมล่มสลายในที่สุดและเชื่อว่าอาณาจักรขอมนั้น เป็นอีกหนึ่งมิติที่อยู่ใต้พื้นดินลงไปไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อซึ่งอยู่บริเวณปราสาทวิเมียนอากาศในกัมพูชาและเชื่อว่าขเขมรในปัจจุบันนี้คืออาณาจักรของพระชายว ร, รมันบนพื้นดินนั่นเองส่วนในฮินดูก็มีความเชื่อเกี่ยวกับนาคีเช่นกันยกตัวอย่างพระแม่นาคกนญานีซึ่งรูปลักษณะที่อธิบายไว้คือเป็นหญิงสาวครึ่งมนุษย์ครึ่งงูท่อนบนเปลือยเปล่า ส่วนท่านล่างมีลักษณะเป็นเกร็ดคล้ายกับงูมีหน้าตาที่สวยงามประดับด้วยเพชรนินจินดาพระนางเป็นนาคีที่กำหนดมาจากบรลลังก์หน้าขององค์พระวิษณุซึ่งมีการบูชาเหมือนกับเทพฮินดูโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในปัจจุบันละครนาคีเป็นกระแสที่แรงอย่างมากทำให้ผู้คนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพญานาคตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันและมีการเสาะสแสวงหาสถานที่ที่เชื่อว่า มีพญานาคอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นบึงโขงหลงถ้าเพียงดินและสถานที่อื่นๆอีกมากแต่ความลึกลับของพญานาคไม่ว่าจะเป็นนาคาหรือนาคีก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปเพราะไม่มีใครเคยเห็นพญานาคเป็นๆ เ, เลยสักครั้งยกเว้นคําบอกเล่าของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะเห็นพญานาคทั้งนาคาและนาคีปรากฏในนิมิตบ้างหรือความเชื่อของชาวบ้าน ที่เห็นงูใหญ่มีงอนบ้างหรือความเชื่อเกี่ยวกับบ้างไฟพญา น, นาคที่ปรากฏในวันขึ้น15คห้าเดือน11หรือวันออกพรรษาของทุกปีทําให้เกิดการบูชาพญา น, นาคในหลายพื้นที่มาตั้งแต่สมัยโบราณและเชื่อว่าพญา น, นาคนั้นมีอยู่จริงคอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและคุ้มครองรักษาผู้ที่เคารพศรัทธาซึ่งถือเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณตราบเท่าปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับพญา น, นาค ก, ก็ยังคงอยู่ และไม่มีวันตาย